เทศอบรมพระวันที่31ตุลาคม2521เทศเรื่องเริ่มต้นปฏิบัติโดยลำดับถึงอสุภะหญิงสวยๆจะบุกไปได้ไม่กำหนัดจนนราคะสงบละเอียดเทศถึงความว่างถึงจุดอวิชาเทศหมดพอดีน่าเสียดายนี่เรียงลำดับปฏิบัติของผู้เทศ ไปถึงอวิชชาเทพหมดใครฟังอัดได้เฉพาะพระหรือผู้ปฏิบัติจริงพูดเรื่องความฝันบอกเริกดีและเริ่มนั่งสมาธิได้ตลอดรุ่งแน่ใจว่าจิตไม่เสื่อมเป็นคติดีมากสำหรับพระนี่ฟังอัดได้เฉพาะพระจิตธรรมดา มันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่ว่าจิตของใครทั้งนั้นพอมันมีสิ่งถูถ่ยลากไปลากมาในทางที่ไม่ดีจนหาหลักยึดพอจะประทังความสุขไว้ไม่ได้ ทมหลักทมท่านกิเลสเราจะเห็นได้เลฝึกหัดอบรมเบื้องต้นมันล้มลุกคุกครานไม่ยอมไปตามอัดตามทมเพราะกิเลสมันรุนแรงผมจำไม่ลืมเลยตั้งแต่ออกปฏิบัติที่แรกจนกระทั่งปัจจุบันเพราะมันเป็นเรื่องสัจธรรมฝังอยู่ในจิตจะลืมได้อย่างไง เอาปฏิบัติที่แรกจะเอาจริงเอาจังแล้วเราในสัยเราจริงด้วยไม่ใช่เลื่อนๆเร่ อ, รอยๆถ้าปักอยู่ตรงไหนก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่พอปฏิบัติมีปาฏิโมกพกห้เล่มเดียวติดยากคราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลย อย่างอื่นไม่หวังทั้งหมดหวังความพ้นทุกอย่างเดียวเท่านั้นจะให้พ้นทุกในชาตินี้แน่นอนขอแต่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เราทราบทางเรื่องมักคลปีัญญาว่ามีอยู่เท่านั้นเราจะมอบกายถวายชีวิต ต่อคุณนั้นและมอบกายถวายชีวิตต่อต่อทำด้วยข้อปฏิบัติอย่างไม่มีอะไรเหลือหลอเลยตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติไม่ได้ตายด้วยความถอยหลังจิดมันตักลงเหมือนหินหักออกมาก็เร็วอาที่เรียประมาจมันสาโคราช อำเภจักราชเพราะตามท่านอาจารย์มั่นไม่ทันกเ็เร่งตั้งแต่มาถึงทีแรกไม่นานจิตก็ได้ได้ความสงบเพราะทำทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากงานสมาธิภาวนาเดินจงกรมอย่างเดียวตามภาษาของคนร่มลุล ก, กคลานนั่นแหละ มันก็สงบได้ก็เร่งใหญ่ดังที่เคยเล่าให้ฟังแล้วมันก็มาเสื่อมตอนทำกรดตอนนั้นสมาธิไม่ใชเล่นเหมือนกันนะแน่นปุงเลยเด้อแน่ใจว่ามะขุนที่พันมีแล้วเพราะจิตมันแน่นปุน่งไม่อยาทกสะท้านกันไปเลยพอไปถึงธรอานนจารย์มั่นตันชีแกงแสดง อาจทำให้ฟังเหมือนกับว่าถอดออกมาจากจิตใจไม่ได้เหมือนหรอคือถอดออกมาจากใจท่านแท้ๆที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านปฏิบัติมาอย่างไรเหมือนในวันนี้น่านี่น่าอยู่งั้นเห็นหรือไม่เห็นห ร, รู้หรือไม่รู้นี่นามารผลมีผ่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อีกมันก็ฝังลึกฝังจริงๆอย่างนั่นมาก็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 แล้งแล้วันเต็มเหนียวคำฝันเราก็ไม่ลืมในคำฝันนีเคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วแต่มันก็รู้สึกมันดื่มให้พูดได้อีกเหมือนกันพออยู่กับท่านพอตั้งจัตใจฐ า, านแล้วด้วยความลงใจของเราเชื่อต่อท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วยหาที่แยกงไม่ได้ แม้ว่าท่านจะแสดงออกปาภายนอกภายในตรงกับหลักถักทำหลักที่ในเป็นเป็ น, ปนไม่มีอ้อมค้อมจึงได้ตรงใจอธิษฐานมาอยู่กับท่านหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตสนสร้างปัญญ์ผมก็ยังไม่หนีผมจะต้องอยู่กับท่านแต่การไปเที่ยวที่นัหนที่นี่เป็นธรรมดาดังที่ชีว้ มาไปอยู่กับท่านได้ประมาณสัก4ี่ห้าคืนเท่านั้นมอคำฝันนี่ก็เป็นเรื่องคำฝันอัศจรรย์นั่นกันฝันมาสะพ้ายบาทแบกกรดคลองผ้าด้วยดีไปตามทางอันรุกชับสองข้าศทางแยกไปไหนไม่ได้นี่แต่ขวากแต่น้ำเต็มไปหมดนอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็นเพียงด่านบานไปอย่างนั้นแะ รถกลุงลังหักพอรู้เงื่อนพอเป็นแถวทางไปเอาไปถึงที่แห่งหนึ่งก็กอ่อไผยน้ำหนาล้มทับขวางทางไว้เลยหาทางไปไม่ได้จะไปทางไหนก็ไปไม่ได้มองดูสองภาคทางไม่มีทางไปเลยนี่เราจะไปได้อย่างไงงะและะ้วสาะนี่เจาะที้ไปแล้ไ ป, ปเห็นช่อง ช่องที่ด่านไป ต, ตรงนั้นเป็นช่องนิดหน่อยพอที่จะบุกบืนไปให้หลวมตัวได้ก็บาดลูกหนึ่งก็ได้มั่งมีทางไปแค่ๆก่อนเปื้องคีววอนออกมันชัดขนาดนั้นนะคําฝันเหมือนเราไม่ได้ฝันเครื่องคีววอนออกพัดๆๆๆเก็บๆๆคิววอนอย่าที่เราเก็บมานี่งระวาง เอาบาดออกสักบาเรากดกวดบาดแล้วเจ้าของก็คืบคลานไปแล้วก็ดึงสายบาทไปด้วยเรากดกระดึงไปไว้จิตที่พอเอื้อมถึงพอบืนบืนไปได้ก็ลากบาดไปด้วยแล้วก็ลากกดไปด้วยแล้วก็ดึงจีวรไปด้วย เบือนไปอยู่นั่นยากแสน ย, ยากพยายามเบืนกันอยู่นั่นเป็นเวลานานพอดีเจ้าของกบพ้นไปได้เดี๋ยวค่อยดึงบาทไปบาทกบพ้นไปได้แล้วก็ดึงกดไปกดกบพ้นไปได้พยายามดึงกีวรไปกีวรกบพ้นไปได้ พอพ้นไปได้แล้วพีคลองผ้ามันชัดขนาดนั้นนะคำฝันคลองจีวรยักสะพายบาดบอกว่าเราไปได้ละที่นี่ไปทำ ด, ด่านอีกเหมือนกันนั่นแหละลกๆพอไปอีกประมาณสักหนึ่งเส้นสะายบาดแบกกรดคลองกีวร มองไปนที่เวิงว้างหมดเลยเป็นคือข้างหน้านั้นเป็นมหาสมุทรมองฝั่งโน้นไม่มีเห็นแต่ฝั่งเจ้าของยืนอยู่แค่นั้นแล้วมองเห็นเกาะหนึ่งดูนโนนพอเป็นลึกเนี่ะมองไปเห็นว่ า, วาเป็นเกาะเราจะต้องไปเกาะนั้น พอเดินลงไปฝั่งนนั้เรือไม่ทราบมาจากไหนแล้วก็ไม่ได้กําหนดว่าเรือยนตเรือแก้วเรือพายอะไรแหละหักเรือมาพอลงนั่นเราก็ขึ้นนั่งเรือคนขับเรือนั่งเรือขับเรือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราเราลงไปแล้วเราบาดลงไปลงนั่นแล้วเรือก็บึ่งพาไปนู่นเลยนะโดยไม่ต้องบอกนะ มันอะไรก็เลยสับบึ่งบึ ง, บ, งบึงไปโน่นเลยก็รู้สึกไม่มีภยัยไม่มีอันตรายไม่มีคลื่นมีอะไรทั้งนั้นไปอย่างแบบเงียบๆคู่เดียวมันก็ถึงเพราะคำฝังนี่พอไปถึงเกาะ น, นั้นแล้วเป่าเรือก็พอเราขนของหมดแล้วเรือก็หายไปยไม่ได้พูดกันสักคําเดียวกับเรือนะ่อยกคนในเรือ เราก็จะพายบายขึ้นไปออปีนขึ้นเขานไปนไปไ ป, ไปเห็นท่านอาจารย์มั่นนั่งอยู่บนเขามีเตียงเล็กๆเตียงท่านตั้มมาักจักๆ๊ๆอ้าวท่านมหามาได้ยังไงหนึ่งทางแต่นี้ใครมาใครมาได้เมื่อไหร่หนึ่งพผมนั่งเรือมาขึ้นเรือมาโอ้โหทางนี้มันมายากนาะง ครั้งนั้นตำหมากให้หน่อยอะยื่นตะลับตะบานหมากให้แล้วก็ตำก๊กก๊อกได้สองสามก๊อกเลยตื่นรู้สึกตัวเสียใจอยากจะฝันต่อไปพ <c oughs> อตื่นเช้ามาก็แลวไปเล่าคำฝันให้ท่านฟังท่านพูดทานายได้ดีมาก ที่ฝันนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งลนะนะสมถะนี่เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคลื่อนขานนะให้ท่านดําเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี้เบื้องต้นจะยากลําบากที่สุดนะอย่างนั้นนะท่านต้องเอาให้ดีท่านจะจะท้อถอยเบื้องต้นนี้ลําบากดูท่านบึกบืนล่ดก็ไผ่มาทั้งกอนั่นนะ่ะนั่นนะลําบากมากตรงนั้น เอาให้ดีอย่าถอยหลังไป็นอันขาพอพ้นจากนั้นไปแล้วก็เวิร์มว่างไปได้สบายจนถึงเกาะคนวางกัอ น, นอันนั้นไม่ยากตรงนี้แหละตรงยากนะเราเราฟังเราฟังจริงๆรมันถึงใจถึงใจเป็นกับตายท่านอย่าถอยตรงตรงนี้ครั้งแรกนี่ยากที่สุดพอตอนจิตเสื่อมจิตเจริญจิตเสื่อมนั้นะมันยากจนจะเอาหัว ฟาดใส่ภูเขาไปนู่นมันโมโหเจริญแล้วก็เสือ่อมไปเลยแล้วก็เสือ่อม น, นี่แบแน่ว่าอย่างนั้นพอพ้อนไปแล้วท่านจะไปได้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอะไดเลยมีเท่านั้นน่ะเบื้องต้นเอาให้ดีนะอยาถอยนะท่านว่าอย่งนี้นะถ้าถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตา ย, ตายฟาดมันให้ได้ตรงนี้นะในนิมิตบอกแล้วว่าไปได้นี่ มันจะยากแค่ไหนมันก็ไปได้เนี่อย่าท้อจำได้ฝังใจดีใจพอใจนั่นก็จึงว่าเดี๋ยวดำเนินตามนั้นเรื่อยมาจน ถ, ถึงเดือนเมษาจิตมันก็เสื่อมมาตั้งแต่ต้นเดนือนอ้ายเดือนยี่นั่นแนะปีนี้ จนถึงเดินอาเดินยี่ข้างหน้านั่นเมสานมันยังไม่เจริญนะนันเจริญยิ่ถึงที่แล้วเสื่อมลงสํารงเป็นปีนู่พอถึงเดินเมษาถึงได้หาอุบากําหนดวิธีใหม่เอาอย่างหนักแน่นอากนั้นมานั่งตลอดหามบุ้งหามคําได้ผิดก็ลงได้เต็มที่ในเล่นตั้งแต่นั้นมา พูดถึงเรื่องความยากมันยากขนาดนั้นจริงๆสําหรับผมเองเพราะจากนั้นจริงแล้วมันเป็นสมาธิแล้ไม่เสื่อมน่ะใ้เรื่องความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอชทีเดียวจะเสื่อมต่อไปอีกไม่ได้เป็นรังขาดวางถ้าเสื่อมเมื่อไรเราต้องตายเราจะทนอยู่ในโลกแบบกองทุกข์แห่งความเสื่อมนี้ต่อไปอีกไม่ได้ ก็เราเคยแบบมาแล้วนักแสนสาหัสเป็นเวลาปีกว่าไม่มีทุกอันใดที่จะหนักแผดเผายิ่งกว่าความทุกข์เพราะหยิดเสื่อมหากยังจะเสื่อมต่อไปอีกได้อยู่แล้วเราต้องตายอย่างเดียวเท่านั้นเพราะการ ร, ามาราาะมัดระวังเจ้าของจากนั้นไปแล้วจึงแข้มงวดขวดขันที่สุดเลย ไม่ยอมให้เสริมได้จิต ก, ก็จเจรินเลยเ ล, ยเลยตอนที่มันเห็นความอัจกริยก็เห็นตอนนั่งภาวนาตลอดลุ่มตั้งแต่เริ่มคืนแรกเลยพิจนาทุกเวทนาหม่มันสาหัสนะ แ, แมกผมไองนึงกว่าจะนั่งสมาธิภาวนาตลอดลุ่ม นั่งไปนั่งไปทุกเวทน า, าเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นพิจรารณาอะไรก็ไม่เหลี่ยมเยี่ยมไม่มันยังไงกันนี่วะอาวันนี้ตายก็ตายไปตั้งสัจจะวิฐานในขณะนั่งนั่งตลอดลุ่งตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงสว่างถึงจะลูกเป็นก็เป็นตายก็ตา ย, ตายฟาดกันเลยทีเดียวจนกระทั่งกิจซึ่งไม่เคยพิจรารณาปัญญายังไม่เคยออก นะออกแบบนั่นไนะแต่เวลามันจนกรอบเป็มุมจริงๆนี่โหปัญญามันไหวตัวทันเหตุการณ์ทุกแหน่ทุกมุมจงกระทั่งรู้เท่าทุกเวทนารู้เท่ากายรู้เท่าเวทนารู้เรื่องของจิตต่างอันต่างจริงมันพลาดกันลงอย่างหายเงับเลยทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยเป็นอย่างนั้น ตายหายในความรู้สึกทุก เ, เวทนาดับหมดเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้นะไม่ใช่รู้จริงๆเด่นๆนะคือสักแต่ว่ารู้เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอัศจรรย์ที่สุดในขนาดนั้นพอถอนขึ้นมาก็พิจารณาอีก แต่การพิจารณาเราจะเอาอุบาต่างๆที่เราเคยพิจารณามาแล้วมาใช้ในขณะนั้นมันไม่ได้ผลมันเป็นสัญญาอาดีตไปเสียต้องคลิดขึ้นมาใหม่ให้มันทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นลงได้อีกคืนนั้นลงได้ถึงสามครั้งสว่างโอ้ยอัศจรรย์เจ้าของจริง ต, ตื่นเช้ามาพอได้โอกาสขึ้นไปกราบเรียนท่านอาจารย์มัน่น ซึ่งปกติมีความกลัวท่านมากแต่วันนั้นไม่ได้กลัวเลยอยากะกราบเรียนเรื่องความจริงให้ท่านทราบเห็นผลใงความจริงของเราว่าปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ปรากฏเช่นนี้พูดขึ้นอย่างอาจหาเลยซึ่งทั้งๆที่เราไม่เคยพูดกับท่านอย่างนั้นนันก็ขึงขังตึ ง, ตง ใส่เพียงเพียงเพียงให้ท่านกับฟังพอฟังแล้วท่านมันต้องอย่างนั้นอย่า ง, งั้นเลยเดี๋ยวเอาหนักสบาให้ฟังปต็มที่พอใจเรามันก็เปนเหมือนหมาตัวหนึ่งพอท่านพอท่านย่อบ้างยุบ้างท่างจะกัดจะเห่เาเว่นคืนหนึ่งสองคืนเอาอีก เี่นสองสามนเอาอีกยังไางจิมันอัศจรรย์นจนเรื่องความตายนี่หายหมดนะเวลามันรู้จริงๆเยแล้วแยกธาตุแยกขันดูความเป็นความตายธาตุจีดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปแล้วก็จะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิม อากาศสาธาติก็เป็นอากาศตามเดิมใจที่กลัวตายก็ยิ่งเด่นมันเอาอะไรมาตายเด่นขนาดนี้มันตายได้ยังไงใจก็ไม่ตายแล้วมันกลัวอะไรมันโกหกกันโลกที่เหลือแบบนี้มันโกหกกันนะั่นพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาแต่ไม่ต้อง มีแต่อุบายแบบเผ็ดเผดร้อนร้อนแบบอัศจรร์ทั้งนั้นอีกยิ่งอัศจรรย์จนถึงขนาดที่ว่าเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะทุกเวทนาทุกแง่ทุกมุมที่แสดงในวันนี้เป็นเวทนาที่สมบูรณ์แล้วจากนี้ก็ตายเท่านั้นเราเห็นหน้ามันหมดเข้าใจมันหมดแก้ไขมันได้หมด แล้วเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราให้หลงวะหลงไปไม่ได้เวทนาต้องเวทนานานี้เองน่นปวดถึงเรื่องความตายก็ไม่มีอะไรตายกลัวอะไรกันนั่นแหละจิตที่มันรู้แล้วมันรู้ชัดตั้งแต่คืนแรกนะที่ว่าจิตเจริญเลืเ่อมจเจริญเลืเ่อมตอนมาภาวนาถึงขั้นนั่นต่อรุ่งทีแรก มันก็ไม่เสื่อมทั้งกต่เดินเมษาหมาก็ไม่เสื่อมแต่มันยังไม่ชัดพอมาถึงคืนวันนั้นแล้วมันชัดเจนเออต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมน่ะมันชัดแล้วนะเหมือนจากมันปีขึ้นไปตกลงปีมาโดยวมพอปีขึ้นไปเกปาะติดปั๊บอย่างนี้ไม่เสื่อมอมันรู้แล้วลยิ่งเรงเต็มที่เต็มฐานใน พันษานั้นสักอ้าวเนสิบคืนกว่ากว่าแต่ไม่ติดกันบางทีก็เล่นหกเจ็ดคืนรวมจนป็นทีนแน่ใจในเรื่องของตกวคุยธนาหนักเบามากน้อยเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อกันหลบหลีกปีกตัวแก้ไขกันได้ทันท่วงทีไม่มีสะพกสะทานแม้จะตายก็ไม่กลัวเพราะได้พิจารณาด้วยอุบายนี้แยกคายเต็มที่แล้ว ทันความตายทุกอย่างหนึ่ปีจะพูดถึงเรื่องความเพียนผมความพรรษาที่สิบคือมันเริ่มตั้งแต่ก้าวตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยหรือก้าวปัญหาไปถึงพัญษาที่สิบเป็นความเพียนที่หักโหมที่สุดเลยในชีวิตนี้ไม่มีความเพียนใดใน เกี่ยวกับเรื่องร่างกายที่จะหักโหมยิ่งกว่าพรรษาที่สิบใจก็หักโหมร่างกายก็หักโหมเต็มที่หลังจากนั้นมาแล้วก็เปเลยเลยเลยใจิตนี่เป็นหินไปเลยคือความแน่นหนามันคงของสมาธิมันชำนานพอจนเป็นเหมือนกับหินตั้งแท่งไม่หวั่นไหวอะไรงยๆ่ลย <c oughs> สมาธินี่ถึงห้าปีเต็มๆพอออกจากสมาธิด้วยอำนาจท่านอาจารย์มั่นเขตเอาซะอย่างหลักจึงออกพิจราออจรณาพอพิจารณาเรื่องปัญญาก็เพราะสมาธิพร้อมแล้วเหมือนกับเครื่องทัพสัมภาระที่จะมาผูกบ้านสร้างเรือนนี่มันมีพร้อมแล้วเป็นแต่เพียงเราไม่ประกอบให้เป็นบ้านเป็นเรือนเท่านั้น มันก็เป็นเศษไม้อยู่เปล่าเปล่าเกิดประโยชน์อะไรอสมาธิก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่นํามาประกอบให้เป็นสติปัญญามันขนูนอะไรไม่ได้มันต้องพิจารณาตามที่ท่านอาจารย์ให่ทัานเฉตพอทั้งเฉดท่านนั้นมันก็ออกพอออกมันก็รู้เรื่องรู้ราวหากกิเลสตัวนั้นได้ตัดกิเลสตัวนี้ได้โดยลําดับลาดับเกิดความตื่น เนื้อตื่นตัวขึ้นมานอนเราอยู่ในสมาธิเรานอนตายมากี่ปีกี่เดือนแล้วไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรฝันนี้ก็เล่นทางสมาธิแต่มันเป็นจิตใจโล้โถนผมอะถ้าไปแง่ยนะมันไปแง่เดียวพอมันเดินทางสมาธิแล้วมันก็มาตำหนิว่าพอมันเดินทางด้านปัญญาแล้วมันก็มาตำหนิสมาธิว่านอนตายอยู่เปล่าหัวความกินสมาธิมันก็เป็นเครื่องพากิต ถ้าพอดีจริงก็เป็นอย่างนั้นนี่มักรรมพระตำหนิว่าสมามินอนตายอย่บเปล่ามาตี่ปีไม่เห็นเกิดปัญญานี่ก็เล่งทางด้านปัญญาเล่งทางกายนี่ก่อนตอนอสุภามีสำคัญอยู่มากนะสำคัญมากจริงๆพิจารณาสุภานี่มันคล่องแคล่วแกวกามองดูไรทารุไปหมด ไม่ว่าจะหญิงจะชาจะหนุ่มจะสาวขนาดไหนเอาพูดทำมันเต็มตามความจริงที่จิตมันกล้าหาญน่ะไม่ต้องให้มีผู้หญิงกับเขาเฒ่าแก่ๆล้วให้มีแต่หญิงสาวๆเต็มอยู่ในชุมนุมนั้นน่ะเราสามารถจะเดินบุกเข้าไปในที่ไห น, นโดยไม่ให้มีราคะตันหาอันใดแสดงขึ้นมาได้เลยนะความอาจหาญของจิตเพราะอสุออภะ มันมองดูคนมันมีแต่หนังห่อกระดูกมีแต่เนื้อแต่หนังแดงโล่ไปหมดนะมันไม่มันเห็นความสวยความงามที่ไหนเพราะหน้าของสุภาพมันแรงมองดูรูปไหนมันจะเป็นแบบนั้นหมดแล้วมันจะเอาความสวยงามมาจากไหนพอให้กำลังดีเพราะฉะนั้นมันจึงกล้าเดินบุกผู้หญิงสาวสวยๆนั่นแหละไปได้อย่างซ้ําบา้เลย ข่าวมันกล้าหมายที่ ม, มันกล้าแต่วความกล้านี่ก็ถูกทางแต่ก็เมื่อมันผ่านไปแล้วมันก็ีอยบับความกล้านี่มันก็บ้าอันหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนเดินดําเนินทางนี่ก็เียกว่าประทุพิจน า, าสุภ า, าสุพรรณง่ายง พจนาไปจนกระทั่งราคานี้ไม่ปรากฏเลยค่อยหมดไปนี่หมดไปแล้วหมดไปเอาเฉยเฉยไม่ได้บอกเหตุอบอกผลบอกการบอกเวลาบอกสถานที่เลย <c oughs> ว่าราคาความกำหนัดยินยืนในรูปหญิงรูปชายนี้ได้หมดไปแล้วตั้งแต่ขณะนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นไม่บอก มันต้องมาวินิจฉัยกันดิความหมดไปหมดไปเฉยๆนี่ไม่เอาคือจิตไม่ยอมรับถ้าหมดตรงไหนก็ต้องบอกว่าหมดสมิรู้ชัด ห, หมดเพราะเหตุนั้นหมดเพราะขณะนั้นหมดในสถานที่นั้นต้องบอกเป็นขณะให้ย้อนมาอีกทีหนึ่ง เมื่อมันหมดจริงๆมันไม่ปรากฏเลยนะพอมองเห็นนี่มันทะลุไปเลยมันเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดร่างกายเนยเป็นร่างกระดูกไปหมดมันไม่ได้เป็นหญิงสวย ง, งามคนสวยคนงามเยเพราะอํานาจของอรูปะมันแรงเห็นแต่กองกระดูกไปหมดมันจเจ้าอะไรไปกําหนับที่นี่ก็มาพลิกใหม่นะหาวบายพลิกใหม่ เหนาราค้านี่มันสิ้นแล้วจะไม่มีอะไรเหลือพลิกใหม่ชาวนี้เอาสุภาษะเข้าม า, บ, าบังคับแก้อันที่ว่าอาสุภะที่มีแต่ร่างกระดูกนั้นออกเอาหนังหุงห้มหอยให้สวยให้งามบังคับนะไม่งั้นมันทะลุทันทีนะเพราะมันทํานา น, น บ, าบังคับหนังหุ้มกระดูกให้สวยให้งาม ให้ติดแนบกับตัวเองมีวิธีการพิจารณาของเรเดินตรงกลมก็ให้ความสวยความงามมันนั่ะรูปอันนันนะติดแนบกับตัวติดกับตัวไปอย่างนั้นอ่ะมันจะนานตั้เท่าไหร่หากมันมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมาถ้ามันไม่มีก็ให้รู้มันไม่มีเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้สี่วันเต็มเต็มนะที่มันไม่แสดงความกําหนัดขึ้นมาเลยทั้งทั้งที่ รูปนี้สวยงามที่สุดน่ารักใคร่ชอบใจที่สุดมันก็ไม่แสดงมันคอยแต่จะย่างเข้ากระดูกหนังห่อกระดูกบังคําไว้อยู่ผิวหนังพอถึงคืนที่สี่มันน้ำตาล่วงออกมาบอกว่ายอมแล้วไม่เอาคือมันคือมันไม่ไปยินดีนะมันบอกมันยอมแล้ว ยอมอะไรให้ยอมว่าสิ้นก็ให้รู้ว่าสิ้นสิยอมอย่างนี้ไม่เอายอมนี้ยอมมีเล่ห์เหลี่ยมเราไม่เอากำหนดไปกำหนดทุกแง่ทุกมุมละแง่ไหนมุมใดที่มันจะเกิดความกำนัดเพื่อจะรู้ว่ามันขึ้นขนาดไหนความกหนัดนี้เราจะจับออกตัวนั้นตัวแสดงออกมา พอดึกเข้าไปเดึกเข้าไปขึากำหนดเข้าไปไม่ไม่พิจารณาอสุภะนะตอนนั้นพิจารณาแต่อสุภะอย่างเดียวเท่านั้นสีวันเต็มเต็มคือเราจะหาอุบายทดสอบมันพอสักสามสี่ทุ่มล่วงไปแล้วในคืนที่สี่มันก็มียุคยับเป็นลักษณะเหมือนจะกำหนับ ในรูปที่ ส, สวยๆงามๆที่เรากําหนดมาติดแนบกับตัวเราเนีมันยับอืมกชอบคน <c oughs> นมันทันนะเพราะมันจะปีงมีตลอดเวลากําหนดเสริมขึ้นเรื่อยๆอ๋อกำหนดเสริมขึ้ น, น, ม, นมันก็มีลักษณะยุ่งยับยึ่งยากนานเห็นไหมน่ะจักเจ้าของได้แล้วนะเห็นไหมมันสิ้นได้ยังไงถ้าสิ้นทําไมจึงต้องเป็นอย่างนี้กําหนดขึ้นกําหนดขึ้น คือมันคำวายุ่ยยากนี่มันเป็นแต่เพียงจิตนะมันไม่ยุ่ยับถึงอวัยวะให้ไหวนะมันเป็นความใจิตพอเสริมเข้าเสริมเข้ามันก็จะการยุ่ยับยุ่ยากให้เป็นที่เข้าใจเออแน่ใจที่นี้ยังไม่หมดนะ่ะอาที่นี้ยังไม่หมดเราจะปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติสับเปลี่ยนกัน ทางอสุพอ่อเรากำหนดทางอสุภา่ า, ภานี่มันเพิบเดียวเลยนะมันเร็วที่สุดเพราะมันความทํานานพอกําหนดเรื่องอสุภา่านี่มันเป็นกองกระโดกไปหมดทันทีแล้วกําหนดสุภพาม ส, สวยงามขึ้นมาแทนที่เอา้าอันอยู่นั่นนี่ก็เป็นเวลานานคือเราทางเราไม่เคยเดินมันไม่เข้าใจ ก็ต้องเด็ทดสอบเรื่องวิธีต่างๆทีนี้วาราสุดท้ายนะเวลามันจะได้ความคนนั่งกําหนดอสชุพะไว้ตรงนี้จิต ก, กําหนดไว้ให้มันตั้งอย่างนั้น่ะอสุภะนี้ตั้งอยู่ตรงนั้นตอนนั้นไม่ไม่เป็นสุภาพนะตั้งเป็นอสชุพะแต่ไม่ให้มันทําลายคือตั้งใหม้ใหมันคงที่มันอยู่นั่นละ่ะ มันจะเป็นหนังห่อกระดูกหรือว่าหนังออกหมดเหลือแต่กระดูกกองกระดูกก็ให้มันรู้อยู่ตรงนั้นแล้วกิจแพ่งดูเวลามันจะได้ความนะดูอา้าวมันจะไปไหนมาไหนกองวัตถุภักดีนี้จะไปไหนมาไหนอ้าวอ า, อาดูเพ่งคือเพ่งยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นเพราะความทําลายของกิจไม่ให้ทําลายมันก็ไม่ทําแล้วบังคับไม่ให้มันทําลาย ถ้ากำหนดบาค้มั น, ามนทาลายมันพังไปเลยนะเพราะความเร็วของปัญญาเราแม่ใมันทาลายให้มันตั้งเพราะกหนดตรงนั้นกำหนดเข้าไปกปปรากฏว่าอสุภ่าที่ตั้งเนี่ยมันถูกหยิกกืนเข้ามากืนเข้ามาอมเข้ามาอมเข้ามาอมเข้ามาตรงนี้ เลยเป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะนั้นนะ่ะฮะจิตตัวไปกำหนดที่ว่าอสุภเนี่มันคืนขึ้นมาคืนขึ้นมาเลยมาเป็นตัวจิตเสียเองเป็นอุทุภัตมันก็ปล่อยพั่วทันทีเ ล, ลยเปัี่ยนนอกมันต้องอย่างนี้มันเข้าใจแล้วทนี่มันขาดมันต้องอย่างนี้ที่พอปล่อยพับคือมันเป็นเรื่องของจิตต่างหากไปหรอ อันนั้นเขาไม่ใช่ราคะอันนั้นไม่ใช่โศกศาไม่ใช่หมวดตัวจิตผู้นี้ต่างหากเป็นตัวราคะที่นี้พอจิตรู้เรื่องของน้ชัดเจนแล้วจิตก็ถอนจากอันนั้นมาอยู่ภายในจิตเป็นตัวราคะนี้มันก็ไม่พอจะแยกออกไปนี่มันก็รว่าตัวนี้ออกไปแสดงต่างหากที่นี้ภาพอสุภานั้นมันก็เลยมาปรากฏอยู่ภายใน ปรากฏอยู่ภายในกําหนดเปนอยู่ภายในที่นี้มันไม่ได้เป็นความกํำลัดอย่างนั้นอะไรเลยมันผิดอันแล้วความกหนัดเรื่องเรื่องเหมือนแบบโลกๆแล้วมันหมดไปแล้วหนึ่งมันเข้าใจชัดว่าต้องอย่างนี้นี่คือมันตัดทิ้งกันแล้วเข้าใจแล้วคำทนึ่มันก็มาเป็นภาพปรากฏอยู่ภายในกําหนดอยู่ภายในนั่นเนี่ยเรากำกหนดภายในนี้มันก็ทราบชัดอีกแล้วว่าภาพภายในนี้ก็คือเกิดจากหยุเนี่ย มันดับมันกระดับไปที่นี่มันไม่ดับไปไหนแล้วพอกำหนดภาพมันดับไปพอกำหนดไม่นานมันดับไปต่อไปมันก็เหมือนกับเหล็กไฟจีนหรือฟ้าแลบเหมือนเดิพอกำหนดภาพขึ้นมาเป็นภาพก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมเลยจะขยายให้เป็นสุภาษสุภาะอะไรไม่ได้เพราะความรวดเร็วของอันนั้นปรากฏขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมต่อนั้นจิตก็กลายเป็นจิตว่างไปเลย สนอรุปราภายนอกหมดปัญหาเข้าใจแล้วตั้งแต่ขณะที่มันมากลืนตัวเข้ามานี่เข้าใจแล้วมันปล่อยข้างนอกทันทีเลยอืรูปเสียงปิดรวดอะไรข้างนอกมันปล่อยทันทีเพราะอันนี้ไปหลอกต่างหากนี่ในเข้าใจตัวนี้ชั้นแล้วนั่นไม่มีปัญหาอะไรมันเข้าใจทันทีปล่อยอ่ะนี่ก็มาปรากฏเป็นภาพอยู่ภานาจิตกําหนดภาพพานจิตไม่นานแล้วภาพอันนี้มันก็ ดับไปตั้งขึ้นมาก็ดับไปตั้งขึ้นมาไม่นานเดี๋ยวดับไปดับไปต่อไปก็ตั้งขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบพอปรากฏภาพดับพร้อมจะพิจารณาเรื่องสุภาพิตว่าไม่ทันเลยดับไปดับไปหลังจากภาพภายในดับไปหมดแล้วจิตมันก็ว่างว่างหมดทิ้งงานนะสำ ด, ด, ดูอะไรว่างหมดมองดูต้นไม้ภูเขา คือร่ามบ้านช่องเห็นเพียงเป็นลางๆเป็นเงาเงาแต่ส่วนใหญ่คือจิตนี้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดแม้แต่ละมองดูร่างกายมันก็เห็นพอเป็นเงาเงาส่วนจิตแท้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดโอโ้จิตนี้ว่างขนาดนี้เลยนะว่างตลอดเวลา ไม่มีอะไรเขาผ่านให้กินได้ถึงถึงมันจะว่างมันเขาปรุงภาพเป็นเครื่องฝึกซ้อมเหมือนกันนะแล้วจะปรุงภาพใดก็แล้วแต่เป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตใจนั่นให้มีความว่างช่ชําชองเข้าไปจนกระทั่งแยบเดียวว่างแยบเดียวว่า ง, ววางพอปรุงขึ้นแยบทนั้นมันก็ว่างพร้อมว่างพร้อ ม, อมไปหมดตอนนี้แหละ ตอนที่จิตว่างเต็มที่นี้ความรู้อันนี้จะเด่นเต็มที่ขึ้นคือรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีมันรู้รอบหมดแล้วมันปล่อยของมันหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้อันเดียวมันมีความปฏิพัทธ์มันมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดูดดื่อยู่ครับความรู้อันนี้อย่างเดียว ความเกิดขึ้นพับมันกระดับเพราะมันดูอยู่นี่สติปัญญาคันนี้ท้าขัาง้งพุจการท่านก็เรียกมหาสติมหาปัญญาแต่สมัยทุกวันนี้เราไม่อาจเอื้อมพูดแล้วบอกว่าสติปัญญาตนุมัติก็พอตัวแล้วกับที่เราใช้ยอยู่มันเหมาะสมกันอยู่แล้วไมาจําเป็นจะให้เชื่อให้นามสูงไปยิ่งกว่านั้นมันก็ไม่พ้นจากความจริงที่เป็นอยู่นี่แลหละจิตดวงนี้ถึงได้เดิน เด่นนะถ้าจะความเด่นอันนี้นะมันทำให้สว่างไปหมดวันเดินจนกงกรมอยู่ทางด้านตะวันตกวัดดอยธรรมเจดีเราอดอาหารมาได้สามสี่วันแล้ววันนั้นก็จะมาใส่บาต ท, ที่วัดวเราก็ไปเดินจงกรมโน้นตั้งแต่สว่างจนกระทั่งถึงเวลาบินทบาท ถึ่มมาแต่มันเกิดความอัศจรรย์ออกพินึกพิลั่นนะแง่จิตนี่ทำไมถึงอัศจรรย์นักหนานะมองดูอะไรแผ่นดินที่เหยียบไปนี้มันก็เห็นอยู่ชัดๆด้วยตาแต่ทำไมจิตมันซึ่งเป็นส่วนใหญ่มันว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความว่างอย่างเดียวเต็มหัวใจ ยืนลำพึงสักเดียวอันธรรมเกิดขึ้นนะเรียกว่าธรรมวันละเราพูดในวงปฏิบัติโดยเฉพาะแอลธรรมก็ปรากฏขึ้นถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ใดว่ายางนั้นนะนั่นแหละคือตัวพบแหวนงงเลย จุดก็หมายถึงจุดผู้รู้นั่นเองถ้าว่าเราเข้าใจมันก็ดับกันได้ในขณะนั้นน่ะแต่นี่มันงงเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นถ้ามีจุดก็จุดผู้รู้นี่มีต่ํมก็หมายถึงต่อมผู้รู้นี่อยู่สถานที่ใดที่นั่นแรลคือตัวพกแน่ก็บอกให้ท่านแล้ไม่ผิดอะไรเลยแล้วก็ทำให้งงเหมเอ๊ะมันยังไงกัน นี่บดเวลามันจะรู้นะคือมันมิพิจารณาอันเดียวกันเนี่ยมันมันมันไม่ได้กว้างขวางอะไรมันรู้หมดเนี่รู้เสียงดึงลดเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุเนี่ยมันเข้าใจหมดมันปล่อยหมดมันไม่สนใจพิจารณาแม้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังไม่ยอมสนใจพิจารณาเลยมันสนใจเฉพาะความรู้ที่เด่นดวงอยู่อันเดียวเท่านั้นสําผัสสัมผัสอย่างนี้อย่างพิจารณาเป็นพิจารณามา แต่ก็ให้พึ่งทราบว่าจุดนี้มันยังเป็นสมมุติไงฮะมันจะสง่าผ่าเผยขนาดไหนก็สง่าผ่าเผยอยู่ในวงสมมตุติมันจะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในวงสมมติเพราะอาวิชชาอย่างนีอยู่ในนั้ น, นอวิชชานั่นแหละคือตัวสมมตุติมันก็แสดงอาการรุ่มรุมตอนตอ น, นตามพันในความละเอียดของจิตให้เราเห็นได้อย่างชัด บางทีก็มีลักษณะคือสติปัญญาขันนี้มันจะต้องเป็นองคร า, าครัก์รักษาจิตดวงนี้อย่างเข้มงวดกวดขันแทนที่มันจะจ่อกระสุนเข้ากระบอกปืนเข้ามาที่นี่มันไม่จอ่อมันจะส่งไปนู่นนี่เรียกว่าอาวิชชานี่แหลมคมมากมัน ไม่มีอะไรที่กจะแหลมคมมากยิ่งกว่าอาวิชชาซึ่งเป็นจุดจุดท้ายความโลภมันก็หยาบหยาบโลกยังพอใจกันโลกคิดดูสิความโกรธก็หยาบหยาบโลกยังพอใจโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดของโกรธอะไรเป็นของหยาบหยาบโลกยังพอใจกันอันนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันเลยมาหมดต่อมาได้หมดแต่มันทําไมมันยังมาติด ความสว่างไสวความอัศ จ, จรรย์อันนี้ทีนี้อันนี้เมื่อมันมีอยู่ภ า, ายในเนี่ย